มีคนถามผมบ่อยๆมากเลยนะครับว่าอผมมาเรียนธรรมะเนี่ยผีมีจริงไหมแล้วคนเราตายปุ๊บเนี่ยเกิดเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเลยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าผีก็ไม่มีจริงเพราะว่าพอตายปุ๊ก็ต้องเกิดปั้บนะครับแล้วที่เราที่เราถูกหลอกมาตลอดชีวิตเนี่ยวิญญาณโหดมาหลอกหลอนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องนม่จริงใช่ไหมครับคืออย่างนี้ในชั้นของความหมายตรงนี้คําว่าผีเนี่ยก็สัตริย์เนี่ย เราจะเรียกว่าเป็นผียังไตงตัว อ, อย่างเช่นสัตว์นรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผีได้ไหมสัตว์เดรัจฉานเป็นผีได้ไหมอสุรากายเป็นผีได้ไหมเปรตเลยเปรตเลืออสุรากายเทวดาเป็นผีได้ไหมพาะก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ น, นั่นเองกระแสะชีวิตก็เป็นไปแบบนี้ก็แล้วแต่กรรมเราจะเรียกกลุ่มไหนเป็นผีใช่ไหม แต่ถ้าในชั้นคําสอนเนี่ยไปดูในพระไตรปิฎกที่ที่บอกว่าภรรยากับสามีภรรยาสามีเป็นเทวดาภรรยาเป็นผีก็มีเนี่ยทางนี้ก็ใช้สํานวนเรียกคนเป็นผีก็เยอะอย่างนี้เป็นต้นก็คือคนที่ประพฤติบาปก็เรียกว่าผีไปนั้นถ้าคาว่าผี ห, หมายถึงสัตว์นรกได้ไหม หมายถึงสัตว์เดรัจฉานได้ไหมหมายถึงเปรตได้ไหมหมายถึงอสุรกายได้ไหมหมายถึงยักษ์ได้ไหมซึ่งมีอยู่จริงอันนี้อันนี้ก็คือเป็นพบโพลเป็นพบโพลถาว่าตายแล้วเกิดทันทีใช่ไหม่ใช่เพราะการเกิดการตายเป็นเรื่องของปฏิสนธิจิตปฏิสนธิรูปเป็นเรื่องการสืบต่อเป็นเรื่องการสืบต่อฉะนั้นความคิดเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมาก การเกิดการตายเป็นเรื่องของจิตเจสิกเนี่ยเป็นเรื่องของนมามธรรมใช่ไหมที่สัมพันธ์กับรูปธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัยยังไงอันนี้เป็นเรื่องโอ้เรื่องยาวเลย อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ายอมโจ้ลมหายใจขาดปุ๊บเดี๋ยวนี้ยอมโจ้าสามารถไปปฏิสนธิในครรภ์ของใครก็ได้ในประเทศอเมริกาได้ทันทีเลยไม่มีระหว่างเลยไม่มีระหว่างเลยติดต่อทันทีเลยเอาไปได้ยังไง แค่ยอมเจ้านั่งอย่างเงี้ยคิดถึงบ้านเนี่ยความคิดไปเป็นล้านล้านครั้งในหนึ่วินาทีแต่เราเระลึกไม่ทันตัวนั้นเองสติเรามันเลื่อนลอยให้ความคิดนี่รวดเร็วมากทั้งบุญและบาสัตว์ทั้งหลายที่ขัดเกลาตัวเองได้ดีเท่านั้นที่จะสามารถชำนาญในชาวหน้าที่เป็นกุศลได้จริงๆถ้าไม่ได้ขัดเกลาตัวเองไม่ได้เพียรพยายามในการเดินทานศีลภาวนาให้แข็งแกร่งแล้วจะไม่รู้เลยว่าตนเองทําบุญหรือทําบา ยังไม่รู้ได้ซ้ําไปบาปเกิดกับตนเองเท่าไหร่บุญเกิดเท่าไหร่เมื่อลอยกันอยู่ตลอ ด, ดเวลาเพราะสัตว์ทั้งหลายขาดสติสัมปชัญญะอย่างรุนแรงนะเถียงกันอยู่โดยไม่มีเจตนากันอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ท, ที่พูดออกมากันมีชั่วโมงใช่ไหมถ้าภาษากฎหมายบอกไม่มีเจตนาใช่ไม่ใช่ไม่มีเจตนาแปลว่าไม่ผิดอย่างนี้สมมตินะีแต่ถ้าถามมาไปฆ่าคนไม่มีเจตนาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม เจตนามันหมายถึงเจตสิกรธรรมหมายถึงจิตซึ่งเกิดดับเร็วมากเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตชั่วรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยความเกิดดับของจิตมากก็แสนโกรธรั้งอย่างนี้นะแล้ลองคิดดูสิเจตนามันเกิดทุกครั้งด้วยความลืมตัวลืมภาวะของความเป็นมนุษย์ต่างๆก็ทําอะไรไปอย่างลืมเนื้อลืมตัวแต่บาปมันสําเร็จไปแล้วนะ บุญก็สําเร็จไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้แหละถึงบอกว่าสภาพจิตเนรรวดเร็วมากมาสัตว์ทั้งหลายที่อบรมดีเท่านั้นถึงจะรู้เท่าทันถึงจะฉลาดในจิตตัวนี้ทําไมบางคนแบบตายแล้วฟื้ขนขึ้นมาล่ะครับอ๋ออย่างนี้ตรงนี้ก็ตอบไม่จบประเด็นเลยนะแล้วทําไมคนแบบว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเขาบอกนี่เขาตายไปแล้วห้าทีอะไรอย่างเงี้ย อ, อันนจริงไหมครับ ถ้าตายจริงๆจุติจริงๆหมดโอกาสฟื้นถ้าอย่างนั้นเป็นได้แค่สลบเป็นได้แค่สลบคือโชวนะจิตมันอ่อนแอแล้วก็ไม่รู้บางคนเนี่ยสามารถจะไปเป็น 2, 000, 3, 000. สองวันสามวัน 1> <1> สองวันสามวันนะเรื่องปกติเคยเห็นมาเยอะแยะจิตท่เป็นวงนะจิตชินะครับก<ส>็เนี่ยก็เหมือนคนสลบทั่ทวๆไปอ่อนแอมาก คำว่าอ่อนแอหมายความว่าไม่สามารถรับรู้ในภาวะปัจจุบันนี้ได้แต่ก็เป็นไปในลักษณะอ่อนแอที่ไม่สามารถจะจําอะไรได้เลยอีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถจําได้เหมือนฝันไปเลยนีน่นะก็คือฝันนั่นเองก็นิมิตเป็นนิมิตเท่านั้นเองพวกนิมิตที่กํากับท่านเหล่านั้นอยู่ก็เลยสําคัญว่าตนเองไปอย่างนี้นั่นส่วนหนึ่งแต่ถามว่านิมิตเหล่านั้นเชื่อมโยงกับกรรมได้ไหมได้เชื่อมโยงกับกรรม เป็นลางบอกเหตุชัดเจนไหมใช่มีโอกาสจะไปอบายภูมิได้ขึ้นสวรรค์ได้ครักแบกลับเรียนาถามอาจารย์ต่อจากคุณโจกนะครับคือแต่ละชาติศาสนาเนี่ยอย่างอย่างความเชื่อหลังความตายนะครับอย่างศาสนาพุทธก็ชื่ออย่างหนึ่ง เ, เรื่องเกี่ยวความหลังความตายกับทางจีนก็อย่างหนึ่งอยากถามว่าเป็นโลกคนละส่วนหรือเปล่าอ๋อคือจเจริญปอเอาอ่างนี้ว่าในทางพุะรัตนศาสนาไม่ใช่ตั้งไว้ที่บนความเชื่อไม่ใช่เลย แต่ตั้งอยู่บนเหตุผลของปัญญานั้นพุทธศาสนานั้นเนี่ยถ้าถามกันโดยตรงเลยเนะี่ยพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลขึ้นมาตั้งพุทธศาสนาเนี่ยไอคำที่มาเรียกว่าพุทธศาสนาพวกเรามาเรียกกันเองพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมานั้นต้องพูดว่าเกิดมาบนท่ามกลางของคนมีศาสนาหลากหลายแต่พุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาโดยอีกสถานะหนึ่งเพื่อเห็นคนทุกคนเป็นบุตรหมดเลย พุทธิชาตองการขนสัตว์หรือสัตว์ทุกองค์กรทุกศาสนาให้พ้นจากสังสารวัตให้รู้จากกุศลกรรมอกุศลกรรมนะเพื่อเจ้าตรัสรู้ความจริงสอนความจริงไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนั้นพุทธศาสนานั้นจึงไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแต่อยู่บนพื้นฐานของปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของกระแสชีวิตจริงๆจึงมีจุด ที่ไม่เป็นจะไปเรียกว่าศาสนาอย่างแคบจะไม่ได้เลยทั้าไปให้สังเกตดูดีพระบรมศ า, าศาสดาเนี่ยสร้างบารมีมานั้นอยู่มาทุกศาสนาของคนทุกยุคทุกสมัยทุกวงการแต่พระพุทธเจ้านั้นน่ะมีอัจฉยาสายที่ตั้งมั่นแข็งแกร่งมากตอนเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เอ็งเอียงไปกับสิ่งที่ผิดพลาดเพราะอะไรรู้ไหม เพราะอธิษฐานธรรมของพระ อ, องค์นี่ตั้งมั่นมากและให้สังเกตดูว่าตัวโยนิโสมนศิการของพระพุทธเจ้าเนี่ยแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากปาระโตโคสะคือปัจจัยภายนอกจกแทบไม่มีอิทธิพลต่อรพระโพธิสัตว์เลยซึ่งผิดกับเราท่านทั้งหลายเอาไปโยนไว้ในกลุ่มของคนชั่วเรากลายเป็นคนชั่วนี่นื้ เอาไปวางไว้ในกลุ่มของยักษ์ของมารทั้งหลายเราจะกลายเป็นคนกินเนื้อกินกินของโสโปรกไปเลยป็นทันทีแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีอัธยาศัยตรงนี้แข็งแกร่งมากสร้างบา ร, รมีมาจะอ่อนแอเบื้องต้นเนี่ยเมื่อบา ร, รมีเริ่มเต็มเต็มเต็มผ่านพทะเจ้ามามากขึ้นมากขึ้นนะเข้าจะแข็งแกร่งมากยั้นพระเจ้าเนี่ยเมื่อได้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ถ้าจะพูดกันโดยหลักของความเป็นหญิงพระเจ้าจึงไม่สมควรจะอยู่ในฐานะของความที่ว่าเออเป็นความแค่ความเชื่อให้สังเกตคําสอนพระเจ้าจะบอกว่าศรัทธาแล้วจะมาวิริยะแล้วก็จะมาสติแล้วจะมาสมาธิแล้วก็จะสรุปท้ายที่สําคัญที่สุดคือปัญญาเห็น ไ, ไหมทานศีลก็มาภาวนาก็เรื่องปัญญาเอางนะให้สังเกตโดยทานศีล ภาวนาอป จ, นะจายณะเวยาวจะปฏิทานะปตานาุโมทนาธรรมสวรนาฟังธรรมธรรมเทสนาสแสดงธรรมที่ถูกชุกกรรมปัญญาไปเลยไหมหรือว่าฉันทอุริยะจิตตปัญญาคําสอนพุทเจ้าจัดลงได้ปัญญาเนะนั้นพุทเจ้าปัญญานั้นจะต้องระดับว่านี้เป็นกรรมสกตาปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมชัดเจนอันนี้เป็นฌานนะปัญญาปัญญาที่ไปรู้เรื่องฌานสมาบัติเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อันนี้เป็นวิปัสนาปัญญาอันนี้เป็นมัคคะปัญญานี้เป็นผ ล, ลปัญญานี้เป็นปัจจเวคขณะปัญญาอย่างไงพระเจ้าจะวางหลักไว้ชัดเจนในชั้นคําสอนฉะนั้นพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธาไม่ควรเอาไปเทียกแบกบับความเชื่อเพราะความเชื่อนั้นเป็นที่ตั้งอยู่บนความบางครั้งก็เจาะไปก็หาเหตุผลไม่ได้แล้วไปกระทุ้งก็ไม่ยอมรับโกรธกันอีกเลย แล้วพระเจ้ามองทุกศาสนาเป็นบุคคลใครจากศาสนาไหนจักเอาคาสอนของพระเจ้าไปใช้เอาไปเลยไม่หวงเพราะเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์สัตว์จะได้พ้นทุกข์เอาไปเถอะไม่ว่าจะเป็นอิสลามเป็นคริสเป็นฮินดูเป็นศิษเนเป็นศาสนาเต๋าศาสนาลทัทธิใดๆเอาคมสอนพระเจ้าไปแต่เอาไปให้หมดเถอะ จะได้ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรพวกเราก็เหมือนกันอย่าห่วงอย่าไปสนใจว่าโอ้โหยเขาเอาคําสอนของพระเจ้าไปแล้วให้เขาไปเพราะเมื่อคําสอนพระเจ้าไปอยู่กับใครที่ไหนพระเจ้าจะได้ไปทํากิจนั่นแหละเป็นเป้าหมายของพระพุทธเจ้าพระเจ้านั้นน่ยต้องการให้คนเอาคําสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติไม่จํากัดว่าคุณจะถือศาสนาไหนพระเจ้าไม่ห้าม ขอให้เอาไปปฏิบัติเถอะสัตว์จะได้พ้นทุกข์จะได้เข้าใจกระแสชีวิตจะได้เข้าใจความจริงของชีวิตเสียทีขอให้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติลนนนลงเลยท่านทั้งหลายจงเอาคำสอนพระเจ้าเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้เอาไปใช้แต่เอาคาสอนไปใช้เอาไปปฏิบัตินะ เ, เ, เอาไปปฏิบัติตนะให้ไปปฏิบัติกันะปปนะปปจริงๆเป็นไปตามความเป้ามหมายวัตถุประสงค์องพเจ้าจริงๆเถอะ เราจะได้พ้นทุกทุกศาสนาด้วยพระเจ้าไม่ได้จํากัดว่าคุณนับถือศาสนานี้ห้ามมาไม่มีเลยเพราะพระเจ้าเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยเขาอุบัติขึ้นมาเพื่อนขนสัตว์หรือสัตว์พระเจ้าไม่ได้ถามนะว่าเออนี่เธอมาศาสนาไหนห้ามไม่มีเข้ามาเนะีเข้ามาเธอแต่ถ้าจะเข้ามาบวชในวัฏธรรมนียพระเจ้าบอกขอกรองหน่อยได้ไหมกรองตามคําสอนหน่อย แต่ถ้าจะเข้ามานับถือศึกษาทุกศาสนาเอาไปเลยเอาคำสอนไปให้ไปประพฤติปฏิบัติกันจะได้เป็นปจัจจัยไก่การพ้นทุก์โลกใบนี้จะได้ล่มเย็นเสียที